เรื่องที่หกประตูสวรรค์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทหารลูกพระอาทิตย์แต่งเครื่องแบบครบเครื่องพร้อมทั้งดาบซา ม, มูไรไปีินป่ายขึ้นไปหาอาจารย์ฮากุอินความต้องการก็อยากไปคุยกับพระให้พระแก้พอสงสัย ที่ตัวเองก็ชักจะไม่เชื่อครามครันมันเป็นหลักความคิดนึกที่เก็บงำไว้แต่ผู้เดียวนานมาแล้วจะเอ่ยปากกับผู้ใดก็กลัวจะถูกคนอื่นเขาหาว่าเป็นคนไม่มีศาสนาสู้สาธร่างมาไกลมาหาพระอาจารย์องค์ที่ทุกคนในญี่ปุ่นเขาลือว่าทันเก่ง าหารคนนั้นเอ่ยปากถามท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ขอรับถ้าเราจะมาว่าให้ตรงตามเป็นจริงกันแล้วนรกสวรรค์เป็นของมีจริงหรือท่านอาจารย์หันความมาจ้องหน้าเจ้าของคาถามทันทีแทนที่จะเริ่มแก่ข้อสงสัยหรืออธิบาย ท่านกลับย้อนถามเอาทหารคนนั้นว่าเธอนักใครกระผมเป็นซามูไรครับทหารคนนั้นแจ้งสถานะความเป็นนักรบของตนโดยซื่อท่านอาจารย์กลับขึ้นเสียงเอาอีกว่าอะไรทหารทหาอะไรเนี่ย เจ้านายคนไหนนะช่างไปเอาคนอย่างเธอเนี่ยมาเป็นลิ่วล้อใครคนหน้ายังกระขอทานเนี่ยโดนลูเกียดเข้าจังๆเช่นนั้นทหารคนนั้นโกรธพรุ่งจัดลุกขึ้นฉับไวใช้มือขวากุมด้ามดาบยังไม่พออีกท่านอาจารย์หากูอินยังสำทับกล่าวต่อไปอว่า มีดาบด้วยเหรอคมหรือเปล่านะตัดหัวฉันได้ไหมนั่นเหมือนอย่างก็เอาน้ำมันสาดใส่ไฟที่เรืองคูทหารผู้ปริ่มล้นด้วยศักดิ์ศรีไม่ฟังอิราคฆาอิรมอันใดมือตีนหน้าตามันเป็นไปของมันเองชักดาบออกจากฝักเมื่อไรไม่รู้ตัวก็พอดี ได้ยินท่านอาจารย์เปลี่ยนระดับเสียงด้วยน้ำใจกรุณาปราณีเยี่ยมพระมาโปรดสัตว์หน้าโงมพานี่ไงลูกเหยประตูนรกแล้วหลักที่เธอกำลังเป็นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวขนาดนี้นี่แหละกำลังเหยียบประตูนรกแล้วละ่ะถ้ามีประตูแล้ว ดารกจะมีหรือไม่มีหละัะชักพลันทันทีนั้นเหมือนกันนักดาบซามูไรของเราก็สำนึกตัวสำนึกบาปมือไม้แข้งขาอ่อนสุดตัวลงกราบแทบเทา้าวายและวายอีกขออภัยและยอมตัวเป็นสิทิ์ยอมหมดทั้งกายทั้งใจตั้งแต่บัดนี้ไป ท่นอาจารย์เลยถือโอกาสกล่าวชี้แจงขึ้นอีกว่าระหนึ่งว่านี่ไงลูกเอย๋ยประตูสวรรค์หลักที่เธอกำลังเป็นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวขณะนี้กาลังเหยียบประตูสวรรค์แล้วละ่ะถ้ามีประตูสวรรค์แล้วสวรรค์จริงๆจะมีหรือไม่มีละ่ะ นิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านย่อมทราบในเนื้อนิทานเรื่องนี้เองแม้มันจะเป็นข้อความโต้อตอบสั้นๆแต่ก็บรรยายถึงมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่ท่านอาจารย์เซนทั้งหลายใช้สอนสิทธิ์ให้รู้ให้เห็นกันเดี๋ยวนั้น ณที่นั่งอันเดียวนั้นว่ามันเป็นอกุศลลกรรมบตซึ่งธรรมะหมวดสำคัญนี้พวกเราใช้เรียนใช้ท่องกันถึงสิบอย่างและแจกลูกออกไปถึงสี่สิบอย่างสวดเรียงข้อแต่ละอย่างในสี่สิบอย่างนี้ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงถ้าจะอธิบายยกตัวอย่างเรียงลำดับข้อกัน ต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์เสร็จแล้วยังเรือนเือกลัวว่ามันจะเรียงข้อนั้นก่อนข้อนี้หลังพวักพวนดูเอาเธอทันทั้งหลายมันเป็นการเหลือบากว่าแรงเหลือเกินที่จะต้องมานั่งอธิบายข้อความที่ลึกลับละเอียดแต่นำสื้อให้เห็นกันสดสดไม่ได้เกี่ยวกับนรกสวรรค์ ยิ่งในพวกคนหนุ่มที่ถือตัวว่ามีการศึกษาสมัยใหม่หรือทรงศักดิ์เป็นถึงชั้นนั้นชั้นนี้ยิ่งแล้วใหญ่คนผู้ทำหน้าที่วิสัชนาจะไปทำอย่างไรกับคนพวกนี้ดีไม่ดีอาจพลักเจตนาอยากรู้อยากถามของเขาให้ลงเหวแห่งมิจฉาทิฐิมืดมิดไปเสียอีก การที่ใครก็ตามเริ่มอยากรู้และถามเรื่องตายเกิดหรือนรกสวรรค์พึงให้รู้เถิดว่าเขากำลังบ่ายหน้าสนใจเรื่องของศาสนามาบ้างแล้วอยากได้ไปตั้งข้อรำเกยียจเขาถ้าชี้แจงให้เขาไม่กระจาด ก, ก็ควรบอกให้เขาไปถามคนที่สมควรต่อต่อไปเยี่ยงผู้มีใจนักกีฬา บางทีเขาอาจไปโดนทีเด็ดอย่างท่านอาจารย์ฮากูอินในเรื่องนี้บางกระมัง